ผู้คุมมาแจ้งพระอาจารย์เจ้าอาวาสว่าเนนหนีมาจากที่คุมขังเขาไล่ตามมาติดๆจะเอาตัวกลับไปคุมขังตามเดิมท่านเจ้าอาวาสขอเอาไว้ขอให้เนนได้อยู่ก่อนอย่าเพิ่งเอาชีวิตไปตอนนี้ขอให้เนนได้ฟังเทศคืนนี้ซะก่อนผู้คุมก็ยินยอมและในคืนนั้นเมื่อเนนฟังเทศจากท่านอาจารย์แล้วก็เข้านอนจากนั้นไม่ตื่นอีกเลย ดูสิว่าเวลาที่ไล่กันมาติดๆขนาดเห็นหลังกันไวๆเวลาใลนรกต่างกับในโลกมนุษย์ถึง18ปีต่างกันมากเลยวิญ ญ, ญ, ญ, ญ, ญาณย่อมมีอยู่ทุกที่โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นจุดอันตรายที่ชอบเกิดอุบัติเหตุถึงชีวิตบ่อยๆวิญญาณทั้งหลายไม่รู้ว่าจะไปไหนฉะนั้นเมื่ออ่อนผ่านบริเวณที่อันตรายเหล่านั้นก็จะภาวนาอยู่ตลอดเวลาใช้พุโทโธ อ, อย่างเดียวนี่แหละ